หลวงปู่คำดีประภาโสวัดถ้ำผาปูอำเภอเมืองจังหวัดเลยหลวงปู่คำดีเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นอีกองหนึ่งที่น่าเคารพบูชากราบไหว้ยอย่างสูงสุดในสมัยบำเพ็ญเพียร ท่านก็เป็นพระที่มีความกล้าหาญในการต่อสู้กับกิเลสสมัยต่อมาเมื่อท่านเป็นครูบาอาจารย์แล้วท่านก็เป็นพระที่มีความเมตตาสูงไม่ถือเนื้อถือตัวด้วยท่านเคารพบูชาในอัธรรมสูงยิ่งกว่าสิ่งใด มีอายุพรรษามากกว่าหลวงตาหลายปีพระเนนลูกศิษย์ลูกหาของท่านมักจะได้ยินท่านพูดปรารถถึงหลวงตาอยู่เสมอๆกระทั่งแม้ว่าบางคราวหลวงปู่คำดีจะพูดคู่ขณะพระเนนในวัดของท่านเองบ้างท่านก็ยังมักชอบที่จะยกเอาหลวงตาขึ้นคู่พระเนนเสมอๆเช่น พูดว่าพระวัดนี้นะถ้ากับท่านมหาบัวพวกนี้แตกกระเจิงหมดเลยนะอยู่กับท่านไม่ได้นะหรือลองไปอยู่กับท่านมหาสิพระเนนพวกนี้หนะักเป็นต้นด้วยเหตุนี้เองลูกหลานพระเนนที่วัดถ้ำหาปูจึงมีความรู้สึกเคารพสนิทสนมและ ปูก พ, พันกับหลวงตาเสมือนหนึ่งครอบครัวเดียวกันโดยปริยายและแม้สำหรับหลวงตาเองท่านก็ให้ความเมตตาต่อลูกหลานพระเนนที่วัดถ้ำผาปู่นี้ด้วยเช่นกันเมื่อโอกาสอำนวยคราวใดท่านไม่ลืมที่จะแวะไปเยี่ยมเยียนพร้อมขนเครื่องจตุปัจจัยไทยทาน ข้าวสารอาหารต่างๆไปให้และเทศนาสั่งสอนพระเนนเพื่อเป็นกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เสมอๆ เ, เป็นระยะระยะไปที่น่าแปลกใจคือหลวงปู่คำดีท่านจะกล่าวถึงลงตาไม่เพียงเฉพาะกับพระเนนเท่านั้นสิทธิ์ครวาาผู้หลักผู้ใหญ่ กระทั่งอย่างพระนท่านด็เตอรเฉาณศรีละวันองค์มนตรีหลวงปู่ก็ยังเคยปรารบฝากความระลึกถึงกับท่านด็เตอรเฉาไปถึงลวงตาด้วยว่าฝากความระลึกถึงไปถึงท่านมหาบัวด้วยนะพร้อมกับยังกล่าวเชิงยกย่องในคุณธรรมของหลวงตา ฝากไปกับท่านดเรเฉาในวาระเดียวกันนี้อีกด้วยทราบกันว่าหลวงปู่คำดีและหลวงตาท่านเคยมีโอกาสได้สนทนาพูดคุยธรรมกันท่านทั้งสอง จึงมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันมากมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านได้พบปะพูดคุยกันท่ามกลางความแปลกใจแก่พระเนรในวัดถ้ำผาปูอยู่มากด้วยเหตุที่หลวงปู่คำดีท่านสั่งพระไว้อย่างเข้มงวดว่าถ้าวันนี้มีครูบาอาจารย์องค์ใดเข้ามา ให้รีบบอกเราทันทีนะพระที่รับคำสั่งนี้มาจึงจดจ่อคอยเฝ้าสังเกตอยู่ตลอดเพื่อดูว่าวันนี้จะมีใครมาหรือไม่พอตกตอนบ่ายปรากฏว่า มีรถเข้ามาที่วัดจริงๆและก็พบว่าเป็นหลวงตามหาบัวนั่นเองพระที่คอยดูอยู่ตลอดวันจึงรีบไปกราบเรียนหลวงปู่คำดีทันทีและพอหลวงปู่คำดีทราบว่าหลวงตามาท่านก็รีบออกจากที่พักและเรียกหลวงตาทันทีเช่นกัน แล้วยังพูดด้วยว่าโอ้มาเร็วดีนะเหตุการณ์คราวนั้นเป็นที่แปลกใจแก่พระเนนอยู่มากเหมือนหลวงปู่จะทราบล่วงหน้าไว้แล้วภ้ายหลังต่อมาจึงทราบเหตุผลว่าในครั้งนั้นท่านตั้งใจเดินทางเพื่อไปพักค้างคืนโดยเฉพาะไม่ใช่เพียงแค่การไปเยี่ยมเยียน แล้วก็กลับธรรมดาธรรมดาครั้งนั้นพระเนนได้บอกเล่าต่อๆกันว่าครูบาอาจารย์ทั้งสองท่านได้พูดคุยสนทนาธรรมกันอยู่ตลอดมีการเขียนข้อความใส่กระดาษเพื่อซักถามสนทนากันและกันด้วยท้งนี้คงเป็นเพราะหลวงปู่คำดีท่านหูไม่ค่อยได้ยิน มีเทศนาอบรมพระของหลวงตาอยู่บางตอนที่ท่านกล่าวพูดยกย่องถึงคุณธรรมและความกล้าหาญของหลวงปู่คำดีในสมัยปฏิบัติคราวหนึ่งของการแสดงธรรมท่านพูดถึงเหตุการณ์ในระยะก่อนอ น, นั้นได้เคยพบกับหลวงปู่คำดีอยู่เรื่อยๆในที่ต่างๆ ที่นั่นบ้างที่นี้บ้างจากนั้นหลวงตาก็เล่ามาถึงเรื่องที่หลวงปู่คำดีเคยกล่าวชมเชยท่านในการแสดงธรรมเรื่องการแจงขันห้าดังนี okay. <m <m ้การพบกับท่านหลวงปู่คำดีเคยพบกันอยู่เรื่อยๆ ท่านมาอยู่วัดหนองแสงนี่ก็เคยพบกันอยู่เรื่อยท่านเลยพูดถึงเรื่องว่าการแจงขันห้านี้ไม่มีใครแจงได้ละเอียดและออมมากยิ่งกว่าท่านมหาท่านอ่านหนังสือแว่นดวงใจจบหมดแล้วแว่นดวงใจเป็นหนังสือธรรมเทศนาบรรยายโดยหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโน ตอนท้ายของเทศนากันนี้หลวงตาพูดถึงการที่ท่านไปวัดถ้ำผาปูในครั้งนั้นเป็นเหตุการณ์บังเอิญพอดีกับที่หลวงปู่คำดีได้จุดทูกนิมนต์ขอให้ท่านเดินทางมาที่วัดถ้ำผาปูหลวงตากล่าวในตอนท้ายของเทศนาอบรมพระว่า มันแปลกอยู่นะคือท่านหลวงปู่คำดีเดินจงกรมอยู่พอตีสี่ท่านลงมาเดินจงกรมปัญหามันขวางใจท่านทำยังไงก็แก้ไม่ตกทายังไงก็แก้ไม่ตกมองหาใครไม่เห็นจึงออกจากทางจงกรมไปจากนั้นก็ไปจุดธูปเทียนเลยหลังจุดธูปเทียนไหว้พระเสร็จแล้วก็กล่าวว่า ขอนิมนต์ท่านมหาหมาเรื่องนี้ภายหลังทราบจากคนรถที่คอยอุปถัมภ์ครับใช้หลวงตาว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นแกได้รับคำสั่งด่วนจากหลวงตาถ้ารีบเข้าไปที่วัดป่าบ้านตาดในเวลาห้าโมงเช้าวันนี้เมื่อขับรถไปถึงวัดแล้ว หลวงตาก็ให้รีบพาไปวัดถ้ำผาปูจังหวัดเลยโดยเร็วตอนเที่ยงวันพอดีจึงได้ออกเดินทางหลวงตาเล่าถึงเหตุการณ์ที่ได้สนทนากันในวันนั้นด้วยว่าคือเราไปถึงวัดถ้ำผาปูพอทราบว่าท่านหลวงปู่คำดีพักแล้วบอกพระว่า อย่าไปกวนท่านนะวันนี้ผมจะพักไม่กลับผมจะค้างกับท่านอย่าไปกวนท่านนะผมจะไปหาที่พักผ่อนพอได้เวลาแล้วจะมาหาท่านเวลานี้ท่านยังพักอยู่เขาปิดประตูเงียบพอเรามานีพระองค์นั้นแอบไปทางด้านหลังไปบอกหลวงปู่คาดีพอทราบ ท่านจึงรีบออกมาโดยเปิดประตูเหล็กเลื่อนเรียกท่านมหาท่านมหาอยู่นี่เหรอโบกมือเรียกเราเลยดุพระว่าไปรบกวนครูบาอาจารย์ทำไมท่านองค์นี้นี่นะก็จะคุยอยู่แล้วนี่นะพอไปถึงแล้วท่านพูดว่าโห้มาเร็วดีนะเร็วอะไรแล้วท่านอาจารย์ จะมีเรื่องคุยอะไรกัน เ, เวลาจะคุยกันต้องได้ปิดประตูเลยนะตั้งแต่ยังไม่ถึงหกโมงถึงสองทุ่มให้ท่านเล่าวิถีจิตของท่านเป็นยังไงสองต่อสองจนกระทั่งสองทุ่มเมื่อถึงจุดสำคัญเหมือนกับหอกกับหลาวทิ่มนะเหมือนกับว่าถอดหลาวออก ทีนี้ก็พุ่งเลยรู้ช่องเออเออเออมันสะดุดใจท่านมากเออเอาละทีนี้รู้ช่องแล้วจากนั้นท่านจึงเล่าให้ฟังว่าท่านหยุดทูบมานิมนเราเราเลยตอบท่านว่าผมก็มาสเปะสปะมาภาสาบ้าของผมละ่ะเอาละ ภาษาอะไรช่างเถอนนะสดสดร้อนร้อนนี้เอาละคือพอเวลาเที่ยงเราก็ออกจากวัดป่าบ้านตาดไปเลยมันก็เหมือนกับว่าส ด, สดสดร้อนร้อนนั่นล่ละมันบันดลบันดาลอะไรเราก็ไม่เคยไปเลยบอกสั่งรถให้เขามาโดยด่วนแปลกครั้งนั้นเวลาที่ท่านจะสนทนาธรรมกัน เนื่องจากหลวงปู่คำดีท่านหูไม่ค่อยได้ยินการพูดคุยกันจึงต้องใช้เสียงที่ดังเกินไปทำให้ไม่สะดวกนักอีกทั้งในขณะนั้นก็มีแขกคนไปมาอยู่เรื่อยๆท่านจึงแก้ปัญหาด้วยการเขียนจดหมายสื่อความกันการสนทนาธรรมครั้งอัศจรรย์ของครูบาอาจารย์องค์สำคัญคราวนี้ จึงเป็นหัวข้อปัญหาให้พระเนนได้สนทนาเล่าต่อกันอย่างไม่รู้จบและเป็นกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมแก่พระกรรมฐานรุ่นลูกรุ่นหลาน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 ถ้าหลวงพ่อบัวไปเราจะไปเรายังมีอะไรอะไรยิบยิบยิบิอยู่กับหลวงพ่อบัวพูดอะไรมันมีอะไรอยู่ข้องๆใจเอานิมนต์ให้ได้นะบอกด้วยว่าเราก็จะไปนะจากนั้นคารวาดคนเดิมนี้ก็ไปนิมนต์หลวงพ่อบัวถึงที่วัดของท่านเหมือนกัน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 นับแต่ปี2493เป็นต้นมาหลวงตาเมตตาอบรมธรรมปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งกิตตภาวนาแก่พระเนนและครวาาเสมอมาบรรดาลูกศิษย์ลูกหาผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังมีจำนวนไม่น้อย ที่ได้รับแสงธรรมของพระพุทธองค์เป็นลําดับไม่จำกัดว่าเป็นพระหรือครวาด์ไม่จำกัดว่าเป็นหญิงหรือชายพยานในธรรมก็ย่อมประจักษ์ขึ้นในใจของผู้ปฏิบัติเป็นลําดับไปเช่นกันดังคำกล่าวของท่านที่ว่าภาคปฏิบัติก็คืองานอันหนึ่งของเรา ทำไมงานเรามีด้วยการประพฤติปฏิบัติผลทำไมจะไม่มีได้เล่าเหตุกับผลเป็นของคู่เคียงกันมาแต่ไหนจะไรทำไมเราทำมันจะไม่มีผลเมื่อเหตุเป็นไปสมควรแก่ผลจึงเกิดขึ้นได้อยู่แล้วฉะนั้นเมื่อท่านเหล่านี้ต่างเพียรสร้างเหตุให้สมบูรณ์ขึ้นทุกขณะ ผลอันควรย่อมเกิดขึ้นได้และนำมาซึ่งความสงบร่มเย็นในจิตใจของท่านกระทั่งไม่เห็นวัตถุสิ่งของเงินทองลาบยศบริษัทบริวารหรือยศหาบรรดาศักดิ์ใดๆเป็นของประเสริฐเลิศเลยยิ่งกว่าธรรมสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงเครื่องอาศัย เครื่องอำนวยความสะดวกแก่ร่างกายให้พอเป็นพอไปเท่านั้นแต่เรื่องของจิตใจนั้นท่านถือเป็นสมบัติอันล้ำค่าอย่างหาประมาณไม่ได้รรมเทศนาที่หลวงตาแสดงแก่พระเนนผู้เข้ามาศึกษาอบรมรุ่นแล้วรุ่นเล่า ไม่ได้แตกต่างกันคือท่านจะย้ำอยู่เสมอว่าการทําความเพียรเพื่อความพ้นทุกข์จะยากลำบากเพียงไรก็ให้ถือว่าเป็นงานอันตนจะพึงทำหลีกเลี่ยงไปไม่ได้ถ้าต้องการพ้นจากทุกข์ซึ่งกีดขวางกดทวงจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้ให้จิตใจเป็นอิสระ อย่าพึงท้อถอยทางความเพียรอย่าไปคำนึงว่าวาดสนามากวาดสนาน้อยในขณะที่จะทำความดีมีการเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อมักผลนิพพานเป็นต้นถ้าจะคิดว่าอำนาจวาดาสนาน้อย ในขณะที่จิตเลื่อนลอยเผลอตัวออกไปพอระลึกได้ก็ให้ทราบว่านี่เป็นการสั่งสมในการตัดถอนนิสัยวาสนาของตนให้ด้อยลงไปโดยลำดับถ้ามากกว่านี้นิสัยวาสนาก็จะขาดศูนไปเพราะความชั่วเป็นสิ่งทำลายหรือเผาผลาญให้วอดวาย การทำความดีอยู่ตลอดเวลาก็คือการสร้างอำนาจวาสนาขึ้นภายในจิตเพื่อจะปราบปรามสิ่งที่เป็นข้าศึกมีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปนั่นแลใครจะไปสร้างวาสนาที่ไหนถ้าไม่สร้างที่ใจวาสนาจะมากน้อยเพียงไรก็เกิดขึ้นที่ใจเป็นผู้สร้างได้ เราอย่าเข้าใจว่ามรรคผลนิพพานจะเหินห่างจะอยู่ห่างกันจากปฏิปทาคือข้อปฏิบัติเช่นเดียวกับบันไดมีความเกี่ยวเนื่องกันกับบ้านเรือนตึกรามบ้านช่องจะสูงเพียงไรบันไดต้องติดแน่ไปทุกทุกชั้นของบ้านของเรือนคำว่าธรรมะจะสูงขั้นไหนซึ่งเป็นฝ่ายผล ทาฝ่ายเหตุคือข้อปฏิบัตินี้จะพึงติดแนบกันไปทุกขั้นทุกภูมิเพราะผู้ที่จะก้าวเข้าถึงทาขั้นนั้นๆก็ต้องเป็นไปตามทาขั้นเหตุคือทางดำเนิน